สามสารา น, านิวักหมวดว่าด้วยเจ้าสกยะพระนามว่าสารานิหนึ่งปทมมหานามสูตรว่าด้วยเจ้าสกยะพระนามว่ามหานามะสูตรที่หนึ่งหนึพันเจข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณ น, นิโครธารามเขตกรุงกบิลพัท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 มีประชากรมากมีถนนคับแคบหม่อมฉันนั่งใกล้พระผู้มีพระภาคหรือภิกษุทั้งหลายผู้เป็นที่เจริญใจเวลาเย็นเข้าไปยังกรุงกบิลพัทพบเห็นช้างบ้างหม่อมฉันนั่งใกล้พระผู้มีพระภาคหรือภิกษุทั้งหลายผู้เป็นที่เจริญใจเวลาเย็นเข้าไปยังกรุงกบิลพั พบเห็นช้างบ้างม้าบ้างรถบ้างเกวียนบ้างผู้คนบ้างที่พลุกพล่านขวักไข่สมัยนั้นหม่อมฉันลืมสติปรารพพระผู้มีพระภาคพระธรรมและพระสงฆ์หม่อมฉันคิดว่าหากเราถึงแก่กรรมในเวลานี้คติของเราจะเป็นอย่างไรอภิสัมปรยภพจะเป็นอย่างไร พระผู้มีพระภาคตรัสว่าอย่าทรงกลัวเลยมหาบอพิษอย่าทรงกลัวเลยมหาบอพิษการสวรรคตของพระองค์จะไม่เลวซามการกิริยาจะไม่เลวรามมหาบอพิษจิตของผู้ใดผู้หนึ่งที่ได้เจริญด้วยศรัท ธ, ธาที่ได้เจริญด้วยศีลที่ได้เจริญด้วยสุตตะที่ได้เจริญด้วยจากคะ และที่ได้เจริญด้วยปัญญามาเป็นเวลานานกายนี้ของผู้นั้นคุมกันเป็นรูปร่างที่ประกอบขึ้นจากมหาภูตารูปสี่เกิดจากมารดาบิดาเจริญไวยเพราะข้าวสุกและขนมกลุมมากไม่เที่ยงแท้ต้องอบต้องนวดเฟ้นมีอันแตกกระจัดกระจายไปเป็นธรรมดากาบ้างแร้งบ้าง นกตัดกุมบ้างสุนักบ้านบ้างสุนักจิ้งจอกบ้างสัตว์หลายชนิดบ้างย่อมกัดกินกายนี้ส่วนจิตของผู้นั้นที่ได้เจริญด้วยศรัทธาและที่ได้เจริญด้วยปัญญามาเป็นเวลานานย่อมสูงขึ้นไปจนถึงบรรลุคุณวิเศษมหาบอ่อพิษบุรุษดำลงไปในห้วงน้ำลึกแล้วทุบหม้อเนอยใส หรือหม้อน้ำมันก้อนกรวดหรือว่ากระเบื้องในหม้อนั้นพึงจมลงส่วนเนยใสยหรือน้ำมันในหม้อนั้นพึงลอยขึ้นเหนือน้ำแม้ฉันใดจิตของผู้ใดผู้หนึ่งที่ได้เจริญด้วยศรัทธาและที่ได้เจริญด้วยปัญญามาเป็นเวลานานกายนี้ของผู้นั้นคุมกันเป็นรูปร่างที่ประกอบขึ้นจากมหาภูตารูปสี่ เกิดจากมารดาบิดาเจริญไวเพราะข้าวสุกและขนมกลมมาตรไม่เที่ยงแท้ต้องอบต้องนวดเฟนมีอันแตกกระจัดกระจายไปเป็นธรรมดากาบ้างแรงบ้างนกตักกุมบ้างสุนัขบ้านบ้างสุนัขจิ้งจอกบ้างสัตว์หลายชนิดบ้างย่อมกัดกินกายนี้ ส่วนจิตของผู้นั้นที่ได้เจริญด้วยศรัทธาและได้เจริญด้วยปัญญามาเป็นเวลานานย่อมสูงขึ้นไปจนถึงบรรลุคุณวิเศษแต่จิตของพระองค์ที่ได้เจริญด้วยศรัทธาและที่ได้เจริญด้วยปัญญามาเป็นเวลานานก็ฉันนั้นเหมือนกันอย่าทรงกลัวเลยมหาบอบพิษอย่าทรงกลัวเลยมหาบอบพิษ การสวรรคตรของพระองค์จะไม่เลวซามการกิริยาก็จะไม่เลวซามปัตมมหานามสูตรที่หนึ่งจบ 2. ทุติยะมหานามสูตรว่าด้วยเจ้าสักยะพระนามว่ามหานามสูตรที่สอง 1,018 ข้าพระเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณ น, นิโครทารามเขตกรุงกบิลพัทแคว้นสักกะครั้งนั้นเจ้าสักยะพระนามว่ามหานามะเสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถ้าวายอภิวาทแล้วประทับนั่งหน้าที่สมควร ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญกรุงกบิลพัทนี้มั่งคั่งอุดมสมบูรณ์มีประชากรมากมีถนนคับแคบหมอมชั้นนั่งใกล้พระผู้มีพระภาคหรือภิกษุทั้งหลายผู้เป็นที่เจริญใจเวลาเย็นเข้าไปยงังกรุงกบิลพัท พบเห็นช้างบ้างม้าบ้างรถบ้างเกวียนบ้างผู้คนบ้างที่พลุกพล่านควักควายสมัยนั้นหม่อมชั้นลืมสติปรารบ พ, พระผู้มีพระภาคพระธรรมและพระสงฆ์หม่อมชั้นคิดว่าหากเราพึงถึงแก่กรรมในเวลานี้คติของเราจะเป็นอย่างไรอภิสัมปรายภพจะเป็นอย่างไร พระผู้มีพระภาคตรัสว่าอย่าทรงกลัวเลยมหาบอพิษอย่าทรงกลัวเลยมหาบอพิษการสวรรคตของพระองค์จะไม่เลวซามการกิริยาก็จะไม่เลวซามมหาบอพิษอริยสาวกผู้ประกอบด้วยธรรมสี่ประการย่อมน้อมไปสู่นิพพานโน้มไปสู่นิพพานโอนไปสู่นิพพานธรรมสี่ประการอะไรบ้าง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 ประกอบด้วยความเลื่อมสอันไม่หวั่นไหวในพระสงฆ์ 4. ประกอบด้วยศีลที่พระอริยะชอบใจไม่ขาดเป็นไปเพื่อสมาธิมหาบอพิษเปรียบเหมือนต้นไม้ที่โน้มไปทางทิศปราจีนโน้มไปทางทิศปราจีนโอนไปทางทิศปราจีนต้นไม้นั้นเมื่อถูกตัดโค่นจะล้มไปทางไหน จะล้มไปทางที่ต้นไม้น้อมไปโน้มไปโอนไปพระพุทธเจ้าข่ามหาบอภิษอุปมานี้ฉันใดอุปไมยก็ฉันนั้นเหมือนกันอริยสาวกผู้ประกอบด้วยธรรมสี่ประการนี้ย่อมน้อมไปสูนน่นิพพานโน้มไปสู่นิพพานโอนไปสู่นิพพานทุติยะมหานามสูตรที่สองจบ